นะในะเรื่องวิปรานวิปรานธรรมเนี่ยนะถามว่าวิปรานหมายความไงก็หมายความว่าเราเห็นสภาวะธรรมเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปด้วยอำนาจของกิเลสเช่นมันเป็นทุกข์แต่เรามองไปเห็นเป็นสุขนั่นแหละมันคลาดเคลื่อนไปจริงๆแล้วมันนี่ไม่เที่ยงแต่ด้วยอำนาจกิเลส ของโลภะของตัณหามาณนะทิฏฐิเนี่ยเราก็ไปมองเห็นว่ามันเที่ยงมันไม่งามเราก็ไปมองเห็นมันผิดว่างามนะมันไม่ใช่ตนก็ไปเข้าใจว่ามันมีตัวมีตนนะนี่เป็นวิปราชสี่อย่างซึ่งมีการแปรผิดเพราะว่าได้อธิบายว่าถ้าพระถ้าปุถุชนเนี่ย ถ้าปุถุชนเนี่ยเห็นผิดยังไงบ้างนะเห็นผิดกี่อย่างและพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นผิดกี่อย่างพระสกทาคามีเนี่ยท่านเห็นผิดกี่อย่างพระอนาคามีเนี่ยท่านเห็นผิดกี่อย่างเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเห็นผิดไม่มากนะบางอย่างท่านเห็นถูกไปหมดแล้วเช่นพระโสดาบันเนี่ยนะท่านจะเห็นเรื่องความเที่ยงเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับ หรือความเป็นตนเนี่ยท่านเห็นสมบูรณ์เลยแต่ว่าท่านเห็นความสุขไม่แน่แล้วนะไม่แน่แล้วสัญญาท่านอาจจะวิปรลานนะทุกเนะ่ท่านมองเห็นเป็นสุขนะหรือว่ า, อ, า, อ, าอะไรนะครับตัวทุกและตัวอะไรนะครับสุภาะความความไม่งามหรือว่าอาสุภาะเนี่ยท่านมองเห็นเป็นสุภาะ ห, หรือว่าผ้านาคามีท่านก็นละได้ไปเรื่อยๆจนพระอาหารนี่ละได้หมดเลยตอนนี้มันมาถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวิปุราษเนี่ยมันได้แก่กิเลสจิตประเภทอกุศลประเภทไหนเอางี้ก่อนก่อนอื่นเลยผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์หมายความว่าเราเห็นวิปุราษ ด, ด้วยจิตเป็นอกุศลโลภะหรือโทสะหรือโมหะใช่ไหม สองถ้าเราเห็นด้วยกุศลจิตวิปลาดไหมใช่หมใช่ไห ม, ไหมแล้วก็ถ้าไม่เห็นวิปลาดโดยเด็ดขาดเนี่ยมันเห็นด้วยจิตประเภทไหนมันหลายชั้นนะนะท่านอาจารย์ลองขยับหน่อยที่ตรงนี้เอาเบาๆนะอย่าเพมันยากมันลึกคำว่าวิปลาดแปลว่าวิปริตนะแปลบาลีเป็นบาลีอ่ะวิปลาด วิปราโสแปล ว, ว่าวิปริโตวิปริตนะความวิปริตความวิปริตอันนี้นั้นตัวอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้วิปริตนะตัวที่ทําให้วิปริตมีอยู่สามอย่างด้วยกันตัวที่ทําให้วิปริตอันดับแรกเรียกว่าสัญญาสัญญานี้บางทีส่วนทั่วไปแปลว่าจําหลายแห่งแปลว่าสําคัญหมายนะความสําคัญหมาย ความสำคัญหมายที่วิปริตเรียกว่าสัญญาวิปลาสต่อไปสองจิตจิตตวิปลาสจิตนั้นก็คือความคิดความคิดที่วิปริตเขาเรียกว่าจิตตวิปลาสแล้วที่สามเาเรียกทิฏฐิทิฏฐินั้นก็คือความเห็นความเห็นที่วิปริตความเห็นที่คลาดเคลื่อนดังนั้นตัววิปลาสมีอยู่สา สามอย่างนะตัวหนึ่งสัญญาตัวหนึ่งจิตและอีกตัวหนึ่งก็คือทิฏฐิสามตัวนี่เป็นตัวที่ทวงนี้ทั้งสามตัวเป็นนามนธรรมเลยนะเป็นตัวที่วิปริตแสดงถึงระดับความวิปลาจใช่ไหมครับส า, าอย่างนี้เจริญผ่านก็บอกว่าวิปริตแบบสัญญาณนะก็คือถือว่าเป็นละเอียดหน่อยไม่มีกําลังมากจิตที่ไม่มีกําลังทิฏฐิที่ไม่มีกําลังอันนั้นเป็น อนุภาพของสัญญาแต่ถ้าหากว่าจิตมีกำลังก็เป็นอนุภาพของจิตแต่ถ้าที่ไหนทิฏฐิมีกำลังก็เป็นอนุภาพของทิฏฐิไปความวิปริตอันนี้นั้นวิปริตในวัตถุวัตถุสี่อย่างด้วยกันนะไปวิปริตในสิ่งที่ไม่นะไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็น อัตตาและก็สุดท้ายในสิ่งที่ไม่งามว่าว่างามมีอยู่สี่ประการด้วยกันเพราะฉะนั้นวิปปลาดที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นวิปปลาดทั้งหม ด, มดามาจึงเป็นวิปปลาดสิบสองใช่ไหมคือตัวสัญญาตัวจิตกับตัวทิฏฐิ ในวัตถุสี่ประการ3คูณ4เท่ากับ12วิปลาสคือตัววิปริตเหล่านี้นั้นพอปัญหาชั้นต้นในการศึกษาก็คือปัญหาในชั้นของคำพีคำพีที่เราคนเนี่ยมีอยู่ 3-4 ชุดด้วยกันคือชุดของฉบับสังขยน า, านาะยมีโยมเขาถวายไว้แล้วตั้งแต่สมัยเป็นเนนูน ไว้ชุดหนึ่งอันนะั้นอีกชุดหนึ่งก็คือโยมผู้การกำลังถวายมาไม่นานนี้เองและก็ติดต่อกับภูมิพโลแล้วก็มีแทงหนึ่งก็ส่งฉบับคอมพิวเตอร์มาให้ก็ใช้ประมาณ 3-4 ชุดด้วยกันในเรื่องเดียวก็ค้นกันส่วนใหญ่นะจะยกคำแปลเกี่ยวกับเรื่องวิปราชสองอย่างให้ฟังว่าแม้แต่การแปลก็ยังมีปัญหาบางเหมือนกันในชั้นของการศึกษาข้อความในพระไตรปิฎกฉบับ มหามังกุฎเล่มที่69หน้า424นะเขากล่าวว่าวิปราลสีประการนี้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้วละทั่วแล้ววิปราลสเหล่าใดละได้แล้วเหล่าใดละทั่วแล้วนะแค่ข้อความสองบรรทัดนี้ของฉบับภูมิพโลแปลว่า ถามว่าวิปปัตสีประการนี้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิละได้แล้วหรื อ, อยังละไม่ได้นะคนละ e, สำนวนกันเลยนะอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิละได้แล้วละทั่วแล้วอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิ atom. ละได้แล้วหรื อ, อยังละไม่ได้นะอีกสำนวนบอกว่า <Thank> you, <ๆ>วิปป<ๆ>ัตเราใดละได้แล้ว เหล่าใดละทั่วแล้วอีกสำนวนบอกว่าตอบว่าบางอย่างละได้บางอย่างละไม่ได้อะ น, นะไอคำว่าเหล่าใดเนี่ยอีกสำนวนหนึ่งแปลว่าบางอย่างแต่ทีนี้สังเกตในเรื่องเดียวกันนั้นของฉบับภูมิพโลแปลตรงพบาลีตรงตรงภาษาภาษาเดิมเลยทีนี้ทำให้เราเห็นว่าโอ้แม่แต่ในชั้นของการศึกษาในชั้นการใช้ตารานั้นก็ต้องเลือกตาราก่อน เลือกตำราและพยายามค้นหาในในหลายๆชั้นทั้งปไตยปิดกอัตตกถาแล้วก็ดีกาอย่าลืมว่าการศึกษาของเรานั้นเราต้องการศึกษาพระธรรมคําสอนว่าพระธรรมนั้นๆ น, น, นี่พระผู้มีพระภาคกล่าวไว้อย่างไรพระโบราณอาจารย์ท่านอธิบายไว้อย่างไรเพราะในชั้นการศึกษานี่เราต้องการศึกษาให้เห็นสาสตร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เราสามารถจะค้นคว้าได้นะ คือถ้าหากว่าเราเข้าใจศาสตร์ที่บริสุทธิ์เท่าที่ค้นคว้าได้แล้วก็จะใช้ปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ตามสมควรแก่สติกาลังของเราอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของเราแล้วแต่ในชั้นต้นนั้นขอให้เราได้มีโอกาสได้ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนในวิปราสเหล่านี้นะข้าก็กล่าวแยกว่าพระโสดาบันนละ ว, วิปัาสอะไรได้บ้างเลยในชั้นท้ายสุดเลยนะ ว่าพระโสดาบันนั้นท่านละพระโสดาบันนั้นละสัญญาวิปลาชจิตตวิปลาชทิฏฐิวิปลาชในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงได้โดยเด็ดขาดนะพระโสดาบันนั้นยังละสัญญาวิปลาชจิตตาวิปลาสในสิ่งที่สุขว่าทุกนะยังไม่ได้ คือวิปปัตตตรงนี้ละไม่ได้ละได้เฉพาะทิฏฐิวิปปาตตส่วนสัญญาวิปปาตจิตตาวิปปาตตแล้วก็ทิฏฐิวิปปาตตในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอันนี้พระโสดาบันละได้ส่วนสัญญาวิปปาตจิตตวิปปาตตในสิ่งที่เป็นสุขว่าทุกเนี่ยนะพระโสดาบันยังละไม่ได้ตัวสัญญากจิตออขออภยัย ในสิ่งที่สุภานะที่จริงแล้วอาจสุภะแต่สําคัญว่าสุภะด้วยสัญญาและจิตพระโสดาบันยังละไม่ได้ละได้เฉพาะทิฏฐิเพราะฉะนั้นพระโสดาบันละทิฏฐิได้ละวิปลาสทั้งหมดได้แปดแปดอย่างด้วยกันอแล้วก็ข้อความตรงนี้ก็สัมพันธ์กับในวิสุทธิมรดุด้วยสำคัญสัมพันธ์นกับในดีกาพระวินัยด้วยแล้วก็สัมพันธ์ใน อัตกถาอ่ะวิพังด้วยกนะ็เรียกว่าพูดในชั้นของคำพีอ่ะนะแล้วก็จะถ้าธิบายลักษณะนี้จะสัมพันธ์กันหมดเลยแต่ถ้าเราจะอธิบายอีกในหนึ่งตับ๊บมันจะไปขัดอีกหลายแห่งมากถ้าทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นการศึกษาเบื้องต้นเลยเหมือนกับการต่อแผ่นจิกซอถ้าหากว่ามุมนี้นะเราต่อเออเหมือนถูกแต่ถ้าไปขัดอีกแห่งหนึ่งแสดงว่าผิด ต่อใหม่ถอดแล้วก็ต่อใหม่ต่ออยู่นั่นแหละเพราะว่าคาสอนของพระ อ, องค์ไม่ผิดเพี้ยนอะ่ะแต่ถ้าเราต่อผิดเราเข้าใจผิดมันก็ค่อยประกอบจนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็อาศัยว่าไม่รีบะน ะ, จะเจริญขันติบารมีไม่งดหงิด <c oughs> ไม่งดหงิดเหมือนกันมีศรัทธาที่จะศึกษาต่อไปอะนะเพราะในวิ ป, ปัาสาเหล่านี้ก็คือความวิปริตนั่นเองนะความคลาดเคลื่อน ในสิ่งนั้นๆแต่ในความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นพระองค์แสดงเรื่องวิปลาสจริงอยู่และพระองค์ทรงแสดงอุบายแก้วิปลาสด้วยน ะ, ะเมื่อพูดถึงดําเราก็ควรที่จะกล่าวถึงขาวด้วยในขณะเดียวกันเ อ, อวิปริตเหล่านี้นะถือว่าผิดเออแล้วถูกเป็นยังไงนะน่าสนใจนะนะพูดมืดแนละสว่างไม่ส่องให้ดูเลยเป็นยังไงพระองค์ก็แสดงเรื่องกายานุปัสนาสติปฐานเพื่อละ ละวิปลาสประเภทสุภาพวิปลาสนะพระองค์นี้สอนกายานุปัสนาเพื่อละสุภาพวิปลาสพระองค์ทรงแสดงเวทนานุปัสนาเพื่อละสุขาวิปลาสพระองค์ทรงแสดงจิตตานุปัสนาเพื่อละละอะไรนะนิจจาวิปลาสทรงแสดงธรรมานุปัสนาเพื่อละอตตวิปลาสนั่นแหละ อันวิปราชเหล่านี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยแทบไม่กระดิกเลยนะเราจะไม่รู้ว่าเพราะปกติเราเกิดมานี่วิปริตมาตลอดนะสัตว์โลกผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยมีปัญ ห, หาเป็นเครื่องผูกไว้เนี่ย น, นะเกิดมาส่วนใหญ่แล้วก็วิปริตตามนี้ซะตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชั้นต้นเราก็รับรู้ว่าเออความวิปราชนี้มันเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ศึกษาสติปัฏฐานให้เข้าใจ เพราะสติปัฏฐานนั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องละวิปปะธาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละวิปปะธาเหล่านี้นะจะเริ่มละได้เมื่อไหร่นะเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละละอะไรอันนีจานุปัสนาละสัญญาวิปปะธาจิตตวิปปะธาทิฏฐิวิปปะธาดโดยตะทงางฆะปะหารอ่าโดยตะทงางฆะปะหารเพราะฉะนั้นอนุปัสนาเจตนั้นเป็น เครื่องมือในการละวิปลาสก็คือประเภทปหานะปริญญาในเรื่องวิปลาสเหล่านี้นะเราจะเริ่มละได้ตรงๆเลยต่อเมื่อได้ปหาณาปริญญาเอาปริญญาข้อสามไปแต่ที่จริงนะเรียมธรรมะหมวดใดก็ตามก็คือเรียนไตราสรารณคมเชื่อไหมใ น, ในตารางเหล่านี้เป็นไตราสรารณคมไหมเป็น ผู้ที่กล่าวเรื่องนี้นะเจ้าของสูตรเลยเป็นพระพุทธเจ้าคำสอนเหล่านี้เป็นพระธรรมผู้ปฏิบัติละวิปลาสเหล่านี้ได้เรียกว่าพระสงฆ์นั่นแหละเอาแสดงว่าชักใกล้แล้วนะใกล้ระรตนะตรายไปเยอะแล้วอย่างนี้กล่าวถึงข้อความในสีหสูตรนะในอังคุตรนิกายปัญจากานิบาท เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงลักษณะของพระผู้มีพระภาคอีกสูตรหนึ่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสีหะมรุขราชออกจากที่อยู่ในเวลาเย็นแล้วนะก็คือตอนเย็นนี้สีหะก็จะออกเสร็จแล้วก็ย่อมเยื้องกลายเลียวดูทิศทั้งสีโดยรอบบันลือสีหานาศสามครั้งแล้วออกไปเที่ยวหากินนะเรียกว่า ราชสีเนี่ยจะออกหาเหยื่อแล้วไงสีหเมรุคราชนั้นแม้ถ้าแม้จะจับช้างย่อมจับได้โดยแม่นยำไม่พลาดขนาดช้างนะราชสียังจับได้ถ้าแม้จะจับกระเบือย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดนี่กระบือกกระไบนี่มันคล้ายคลยกันกระไบเป็นภาษาเขมรไทยเรียกกระบือ กระใบนี่อยู่แถวสุรินทร์บริรัมศรีสะเกดแถวนั้นน่ะนะทางนี้เขาเรียกควายถ้าแม้จะจับโคย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดถ้าแม้จะจับเสือเหลืองย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดราชสีก ก, กินเสือมกันนะถ้าแม้จะจับเหล่าสัตว์เล็กๆโดยที่สุด กระต่ายและแมวย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสีหมรคราชนั้นคิดว่าทางหากินของเราอย่าพินาศเสียเลย น, นะเขาบอกว่าถ้าจะจับกระต่ายเนี่ยนะต้องครั้งเดียวนี่ตะปบต้องอยู่เลยว่าต้องไม่ให้พลาดเขาบอกว่าทาไมจึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าฝีมือจับสัตว์ที่ที่ชนานาญแล้วของเราอย่าเสื่อมไปเลยางนั้น กลัวจะเสียฝีมือไงถ้าจับแล้วต้องแม่นยำเลยและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะดูถูกว่าะนะดูถูกว่าโหจับแมวจับจับกระต่ายอย่างนี้ยังพลาดเลยนะกลัวเขาดูถูกมันถ้าจะจับแล้วก็ต้องจับอย่างไม่ให้พลาดดูก่อนทิกสูทั้งหลายคำว่าสีหะนั่นและเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ข้อที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทนี้แหละเป็นสีหนาทของตถาคตดูการพิสูจทั้งหลายถ้าแม้ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ภิสูจน์ทั้งหลายถาตถาค ต, า ย, ต, าคตย่อมแสดงธรรมโดยเคารพไม่แสดงธรรมโดยไม่เคารพนะพิสูจนนี่ท่านนั่งอยู่องค์เดียวก็ตามแสนองค์ก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงด้วยใจเสมอกันนะเคารพในธรรมมาก ถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่ปุถุชนทั้งหลายย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ โดยที่สุดแม้แต่คนขอทานและพรานนกนะท่านจะเป็นยาจกวนิพกพเนจรอนาถายากไรมาขนาดไหนพระองค์ก็ย่อมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตะถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพในธรรมะนั่นแหละอันพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์เป็นอย่างนั้นทําให้เราเห็นว่าโอ้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์นั้น เป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาที่ควรอย่างอย่างล้นเหลือน ะ, อะผู้ที่ควรแก่แก่เราทั้งหลายจะนับถือท่านว่าเป็นสารณะนะั่นแหละนะเพราะว่าการที่บุคคลจะมีใจเลื่อมใสถึงพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะจริงๆเนี่ยหายากถามว่ารู้ได้ยังไงว่าหายากเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะแทบไม่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยนะ ที่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยนึกถึงหรือไม่ค่อยถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระก็คือว่าเคยคิดไม่ตื่นเช้ามาเออวันนี้นะฉันจะปฏิบัติตามพุทธโอวาทเคยคิดอย่างนี้ไหมถ้าคนที่คิดลักษณะนี้นั่นแหละเป็นคนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับสาระมันคล้ายๆกับลูกที่มีพ่อแม่และเคารพพ่อแม่นะวันนี้จะทําอะไรบ้างก็เออพ่อเขาบอกให้ไปทําอัน น, น, นี้อันนี้นะี้นะก็ไปตามเหมือนที่พ่อแนะนําหรือว่า สิทธิ์ที่มีอาจารย์อ่ะนะเอ๊ะวันนี้อาจารย์ท่านจะใช้ให้ไปทําอะไรบ้างฉันใดก็ดีผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะพุทธโอวาทพระองค์ทรงแนะนําทรงอนุสาสนีทรงสอนเราว่าอย่างไรเอ๊ะวันนี้เราจะประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าในข้อไหนได้บ้างลักษณะนี้จึงจะเป็นผู้ที่ถึงพระผู้มีพระภาคว่าเป็นสารณะ นะอย่างอย่าง น, น้อยให้ได้วันสักข้อกัอย่างดรนะเออวันนี้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทข้อนี้นะนะทีนี้ขอกล่าวถึงในเรื่องของการเปรียบเทียบไตราสารนคมว่าพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนกับบ่อทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์ที่เป็นสาระนะสาระคือพระธรรมพระสงค์เปรียบเหมือนชนผู้ใช้ทรัพย์ที่เป็น สาระนะทรัพย์ที่เป็นสาระนะทรัพย์ในธรรมวินัยนี้คืออะไรทรัพย์คือศรัท ธ, ธานะผู้ที่มีศรัท ธ, ธาก็จะตามลำเลึกนึกว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีรพระภาคเป็นพระอรหันต์นะวันนี้นึกบ่อยไหมไม่นึกได้ยังไงนะอุสาห์ไหวพระไปพระอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะ สัมพุโทโธเนี่ยแปลว่าตรัสรู้ใช่ไหมตรัสรู้เรื่องอริยสัจพระคาวาเนี่ยบ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างเงี้ยอันพระองค์นั้นเป็นผู้เปิดเผยพระธรร ม, มในขณะที่เราระลึกนึกถึงอย่างเงี้ยขณะนั้นเราก็ได้เป็นธรรมะข้อหนึ่งนะเป็นเริ่มได้สาระข้อหนึ่งนะได้ทรั์อย่างหนึ่งและรั์อันนี้คือศรัทธานะหรือว่า คารบถึงพระธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดที่เราพิจารณาก็บอกว่าเหตุที่ทำให้าศาสนาตั้งมั่นก็คือคารบในพระผู้มีพระภาคคารบในพระธรรมคารบในพระสงฆ์คารบในการฟังแล้วก็คารบในการแสดงเคารบในการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้าศาสนาตั้งมั่นตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นที่ตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาะมีปัญญา อีกในหนึ่งนะพระธรรมที่เป็นสาระเลยก็คือสติปทานสี่ก็เป็นสาระนะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคก็คือสติปทานสสัมมาปทานสอิทิบาท4อินทรียห้พละห้พ่อชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสาระนะพระสงฆ์ก็ผู้ที่ได้สาระเหล่านี้ผู้ที่เปี่ยมล้นผู้ที่บริบูรณ์ด้วย สติประฐาน 4, สีสมมติประธาน4ี่อิทิบาท4อินทรี่ห้าพละห้โทษชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปนั่นแหละงนั้นความเป็นพระสงฆ์นี่ก็อยู่ที่คุณธรรมเหล่านี้เคยกว่าท่านได้สาระท่านเข้าถึงสาระที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงอะไรเป็นสาระวิมุตนะิเป็นสาระนั่นแหละวิมุตนะเป็นสาระเอาแบบสาระสูงสุดเลยก็คืออรหัตผลลวิมุติน่แหละคือสุดยอดของสาระ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ทรงสงสนารพระราชกุมารพระธรรมเปรียบเหมือนน้าที่สนารตลอดพระเศียรพระสงฆ์ผู้ทรงสงสารดีแล้วด้วยน้ําคือพระศรธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชกุมารที่สงสนารดีแล้วนะพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับผู้อาบน้ำนะพระสงฆ์ก็เหมือนกับลูกน้อยนะพระธรรมก็เหมือนกับน้ําที่มาราดรดให้ ใครเคยอาบน้ําให้ลูกอ่ะเป็นอย่างนั้นนะบอกแต่ว่าถ้าเทียบแบบเหมือนพ่อแม่ก็ชาว บ, บ้านทั่วไปก็ตามไปเขาบอกเหมือนพระราชากันแล้วกันนั่นแหละอันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับผู้อาบน้ําให้อะ่ะพระธรรมก็เหมือนกับน้ําพระสงฆ์ก็เหมือนกับลูกเล็กๆอะ่ะที่อาบน้ำและสะอาดแล้วน้ําคืออมะตะธรรมนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนช่างผู้ทําเครื่องประดับพระธรรมเปรียบเหมือนเครื่องประดับพระสงฆ์ ผู้ประดับด้วยพระสัทธรรมเปรียบเหมือนหมู่ราชโอรสที่ประดับแล้วนะพระสงฆ์ก็คือประดับด้วยศีลใช่ไหมพระสงฆ์พระสงฆ์หมายถึงพระโสดาบาันเป็นต้นไปนะท่านเหล่านี้เป็นผู้ประดับด้วยศีลถ้าหากว่าพระโสดาบันที่เป็นคารวาสนะนะจะมีศีลห้าศีลห้าที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยวินยูชนสารเสริรและก็เป็นไปเพื่อสมาธินะ แม้แต่ศีลห้าของพระโสดาบันก็ยังเป็นไปเพื่อสมาธิเลยเนียนั่นแหละถ้าหากว่าผู้ที่รักษาศีลได้บริบูรณ์จริงๆนะนึกถึงศีลเมื่อไหร่ก็ยิ้มถ้าศีลกระพ้องกับแพ่งนี่แสดงว่านึกถึงแล้วก็เหี่ยวเลยนะเขาบอกว่าคนที่มีอะไรในกระเป๋าเนะีเวลานึกก็อุ่นใจใช่ไหมคนที่มีศีลเป็นกันเวลานึกถึงศีลปั๊บจะอุ่นใจนะแต่ถ้าไม่ค่อยอุ่นใจเลยก็แสดงว่าศีลเราน่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเหมือนกันนะถ้านนึกถึงศีลแล้วไม่ค่อยอุ่นใจ ไปเช็คศีลให้มันดีๆกันแล้วกันนะคือศีล น, นี้ละเว้นอย่างเดียวใช่ไหมเรียกว่าศีลถ้าปานาติบาตไม่ฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมเป็นศีลเปล่านะมีใจกรุณาต่อสัตว์นะนั่นแหละเดี๋ยวเราคงได้ศึกษากันนะ